ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการทำและทัศนาชีวิตผมวสินอินทศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังผมจะขอเล่าต่อถึงคุณประโยชน์ของการได้กัลยาณมิตรนะครับคือการมีกัลยาณมิตรอย่างเช่นเรื่องที่พระอานนท์ได้พระพุทธเจ้าเป็นกันลยาณมิตร ต่ออีกสักเรื่องสองเรื่องนะครับพอเป็นตัวอย่างซึ่งมีมากมายเหลือเกินเดียวกับเรื่องพระพุทธเจ้ากับพระอานนท์ท่านเกื้อกูลกันมาตลอดสังสารวัตร เ, เรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปก็คือเรื่องราชสีติดลบนะครับราชสีติลดลบทีนี่ปรารบเรื่องพระอานนท์เหมือนกันพระอานนท์เถระได้รับอารัธนาให้ไปสอนธรรมในพระราชวังของพระเจ้าปเนาสนทิโกศ ก็อสอนแก่พระมเหสีพระรัชเทวีและพวกสนมวันหนึ่งพระราชาถวายผ้าราคาหนึ่งพันกหาปณะนะแก่พระอนุตผืนละหนึ่งพันกหาปณะนะจำนวนหนึ่งพันผืนแล้วต่อมาพระราชาได้พระราชาทานผ้าเนื้อดีแก่พระราชเทวีห้าร้อยพระองค์ห้าร้อยพระองค์นะครับไม่ใช่น้อยองค์ละผืนรวมห้าร้อยผืน พระราชเทรีเหล่านั้นฟังธรรมของพระอานนุ์แล้วเลื่อมใสได้ถวายผ้าเหล่านั้นแก่พระเถระจนหมดเมื่อไปล่้าพระรา ช, ชาในเวลาเสวยพระกระยาหารก็สวมฉลองพระองค์เก่าๆไปพระรา ช, ชาทอดพระเนตรเห็นแล้วจรัสถามว่าได้ให้ผ้าใหม่เนื้อดีไปแล้วฉะไหนจึงไม่ใช่สอยนุ่งผ้าเก่าๆมาที่เฝ้า พระราชะเทวีทูลว่าได้ถวายผ้าเหล่านั้นแก่พระอ น, นุ์หมดแล้วพระอ น, นุรับไว้ทั้งหมดหรือทั้งหมดเลยพระเจ้าขา่าพระราชาทรงพิโรธว่าพระสัสดาทรงบัญญัติให้สมณศักดิยบุตรใช้ผ้าเพียงสามผืนสนัยพระอ น, นุ์จึงรับผ้าไว้มากมายเช่นนั้นจะตั้งรันคาผ้าหรืออย่างไรสวัยพระกยาฮันชาวเสร็จแล้ว เสด็จไปหาพระอนนทุทีละจัดถามเรื่องอื่นก่อนว่าพระคุณเจ้าสตรีที่ตำหนักยังเรียนธรรมศึกษาธรรมจุือขอถวายพระพรยังเรียนอยู่เรียนธรรมอย่างเดียวหรือถวายผ้าด้วยถวายผ้าด้วยมหาบา่อผิดวันนี้ถวายมาห้าร้อยผืนล้วนผ้าราคาแพงผืนละหนึ่งพัน 1, กหาปณ ะ, ะทั้งนั้นท่านรับไปทั้งหมดจุรีรับไปทั้งหมดมหาบา่อผิด ก็พระสุคตเจ้าทรงบัญญัติให้สาวกใช้ผ้าเพียงสามผืนเท่านั้นไม่ใช่หรือถูกแล้วมหาบพิตแต่ไม่ได้ทรงห้ามการรับพระนนเถระได้ทูลตอบพระราชาว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงห้ามการครับเพราะฉะนั้นอาจจะมาผ้ารับไว้เพื่อภิกษุอื่นๆที่จีวรเก่าด้วยพระราชาตรัสถามต่อไปว่าท่านเหล่านั้นเอาจีวรเก่าไปทําอะไร ทำผ้าปูนั่งมหาบ่อผิดเอาผ้าปูนั่งเก่าไปทำอะไรทำผ้าเช็ดเท้ามหาบ่อผิดผ้าเช็ดเท้าเก่าทำอะไรเอ่อเอาไปเอามีดสับผ้าเช็ดเท้าเก่าแล้วเคร้ากับดินเหนียวสาบทาเสนาสนะมหาบ่อผิดพระราชาก็ตรัสต่อไปว่าของที่ถวายพระคุณเจ้ามิได้สูญเปล่าเลยคือไม่สูญเกล่าเลยมหาบ่อผิดของที่ถวายด้วยศรัทธา ภิกษุจะทําให้เสียหายไม่ได้ต้องทําให้เป็นประโยชน์ทุกอย่างถึงที่สุดพระราชารชื่นชมสมณะให้คนนําผ้าอีกห้าร้อยผืนมาถวายมาถวายผ้าห้ารอยผืนชุดก่อนพระเถระได้แจ ก, กให้แก่พระเถระทั้งหลายที่จีวรเก่าแล้วส่วนผ้าอีกห้าร้อยผืนชุดหลังท่านได้ให้แก่ภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งทั้งหมดพระนนมีสัตถิปิหาริก์เคสิตุ ป, ปัชฌา สิทธิท่านบวชให้เองอยู่ประมาณห้าร้อยรูปแต่ก็มีภิกษุน่มรูปหนึ่งก็เป็นผู้มีอุปการะมากแก่ท่านเพราะฉะนั้นท่านก็ได้ให้จีวรห้าร้อยพื้น น, นั้นแก่ภิกษุนมเก่นรูปเดียวที่ว่ามีอุปการะมากแก่ท่านนั่นก็คือว่าได้เป็นผู้กวาดบริเวณกุฏิ ตั้งน้ำฉันน้ำชายไว้ให้ทันถวายไม้สีฟันน้ำบวนปากกำลังหน้าแล้วก็น้ำสง่งดูแลเวชกุดีคือห้องน้ำห้องสวมเรือนไฟและเสนาสนะนวดมือนวดเท้าและก็ทำอุปการะกิจอื่นๆสุดแล้วแต่จะมีมากระเถระก็คิดถึงอุปการะคุณของภิกษุนั้น จึงได้มอบจีวนให้ทั้งห้าร้อยขิท่านก็คงทราบแล้วนะครับท่านรู้จักรูปสิทธิ์ท่านดีพิกษุนมรูปนั้นก็เป็นผู้มีนิสัยดีก็ได้แจกจ่ายจีวร น, นั้นแก่เพื่อนร่วมอุพช่าของตนจนหมดสิน้นพิกษุเหล่านั้นเย็บย้อมจีวรของตนแล้วก็ห่มไปเฝ้าพระสัสดาทูนถามว่าการให้เพราะเห็นแก่ น, น้า มีอยู่แก่พระอริยบุคคลชั้นโสดาบันหรือพระเจ้าข้าพระศัสดาตรัสตอบว่าไม่มีดอกไม่มีดอกภิกษุมีอะไรเป็นเหตุแห่งคำถามนี้หรือภิกษุกลับทูลว่ามีพระเจ้าข้าคือประชาของพวกข้าพระองค์ได้พามาห้าร้อยผืนได้ให้แก่ภิกษุหนุ่มรูปเดียวจนหมดอย่างนี้ไม่เรียกว่าให้เขอเห็นแก่หน้าซ พร ส, สดาตรัสตอบว่าดูก่อนภิกษุเรื่องนี้อานุนทมเพราะเห็นเกียรตอุปการะของภิกษุหนุบรูปนั้นเห็นเธอเป็นผู้มีอุปการะคุณมากแกต่ตนต้องการยกย่องให้ปรากฏแก่สิทธิ์ทั้งหลายข้อนี้เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งของครูหรืออาจารย์ดูก่อนภิกษุแม่บัณฑิตในครั้งโบราณแม้เป็น สัตย์เจริญฉานก็ยังรู้จักประการะของผู้อื่นแค่ทำตอบแทนพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วก็นำเรื่องในอดีตมาัเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังดังนี้นะครับในอดีตการราชสีตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำบนภูเขาวันหนึ่งยืนมองลงไปที่เชิงเขาณเชิงเขานั้นมีสะใหญ่อยู่สะหนึ่งมีหญ้าเขียวสด อ่อนเสวิขึ้นตามเชิงเลนขอบสะสะเล็กเล็กเช่นกระต่ายและแมวป่าสุนัขจิ้งจอกเป็นต้นต่างก็เที่ยวเล่นบ้างเที่ยวเล็มหญ้าอยู่บ้างตามเชิงเลนของขอบสะเนื้อตัวหนึ่งเที่ยวเล่มหญ้าอยู่ราชสีเห็นเนื้อนั้ น, น, นแล้วต้องการจับเนื้อเป็นอาหารจึงกระโดดจากภูเขาวิ่งอย่างเร็วเนื้อวิ่งสุดกำลังของตนเหมือนกัน สิหะไม่อาจจะยังกำลังได้จึงตกขงไปติดที่เชิงเลยขึ้นไม่ได้เท้าทั้งสี่ฝังลงไปเหมือนเสายืนอดอาหารอยู่ถึงเจ็ดวันสุนัขริงจอกตัวหนึ่งหา ก, กินเพลินอยู่เลือบไม่เห็นสีหะตกใจกลัวทำท่าจะวิ่งหนีสิหะจึงร้องบอกว่าอย่านีอย่านีเลยเราติดหล่มขึ้นไม่ได้เจ็ดวันแล้วช่วยชีวิตเราทีเถอ สุนัขยิงเจาะเข้าไปใกล้สีห์ข้างกล่าวว่าเรากลัวว่าเมื่อช่วยท่านได้แล้วท่านจะจับเรากินเป็นอาหารเสียราชศรียืนยันว่าอยา ก, กลัวเลยเรารับรองว่าจะไม่กินท่านแต่เราจะสนองคุณท่านแน่นอนจงช่วยเราถอนขึ้นจากหลมเถิดสุนัขยิงเจอกรับคำมั่นสัญญาแล้วคุยเล่นรอบๆเท้าของราชศรีออก ขุดลำรางให้น้ำไหลเข้ามาทำให้เลนเหลวสุนัขจิงจอกมุดตัวเข้าไประหว่างท้องสีห์เอาศีรษะดันท้องแล้วก็ร้องดังๆว่านายพยายามเข้าเถิดสีหาออกแรงจต่กายขึ้นจากเลนได้วิ่งไปยืนพักเหนื่อยอยู่สักครู่หนึ่งแล้วก็หลงสะล้างโครนอาบน้ำระงับความกระวนกระวายแล้วจับกระบือตัวหนึ่งได้แล้ว เอาเขี้ยวแหวะฉีกลวงเนื้อมาวางไว้ข้างหน้าของสุนัขจิ้งจอกขอให้สุนัขจิ้งจอกกินก่อนส่วนตนกินทีหลังนะฮะราชสีราชสีให้สุนัขจิ้งจอกกินก่อนส่วนตนกินทีหลังสุนัขจิ้งจอกข้าบ่อเนื้อชิ้นหนึ่งวางไว้เมื่อเสียหาว่าเนื้อชิ้นนั้นเพื่อใครสุนัขจิ้งจอกบอกว่าเพื่อนางสุนัขจิ้งจอกราชสีก็ว่า ตรงออกไปเถิดเราเองก็จะเก็บส่วนหนึ่งไว้เพื่อนางสิงเหมือนกันสัตว์ทั้งสองกินเนื้อจนอิ่มหนำสำรานนแล้วคาบเนื้อไปฝากนางสุนัขจิงจอกและนางสิงไปที่จูของนางสุนัขจิงจอกกอดส่วนครอบครัวของสุนัขจิงจอกไปอยู่กับตนที่ถ้าบนภูเขารับว่าจะเลี้ยงดูให้มีความสุขสัตว์สองชกูลสองครอบครัวอยู่ท่วมกันยังมีความสุข นัขจิ้งจอกกับราชสีนางสิงกับนางสุนัขจิ้งจอกแล้วก็ลูกๆของสัตว์ทั้งสองก็สนิทสนมกลมเกี่ยวกันอย่างดีจาเนียนการล่วงมานะครับนางสิงคิดว่าจะไหนหนอราชสีสามีเชาวจิงรักนางจิ้งจอกได้ลูกๆูกของมันนักนานอาจจะเคยรอบได้เสียเป็นเมียผัวกับนางสุนัขจิ้งจอกก็ได้จึงเสน่มันมากนัก จากก็ น, นั้นเลยเราจะหาอุบายให้นางสุนัขจิงจอกไปเสียจากที่นี่คิดอย่างนี้แล้วเมื่อสิห์สามีตนและสุนัขจิงจอกออกไปหากิจจึงกันแกร้งขูเข็นนางสุนัขจิ้งจอกนาน า, นาประกาศที่ว่าทำไมอยู่ที่นี่นานนกะไม่ไปที่อื่นบ้างส่วนลูกนางสิงก็ขู่เข็นลูกสุนัขจิงจอกเหมือนกันเมื่อสุนัขจิงจอกกลับมา นางสุนัขจิงจอกก็เล่าเรื่องต่างๆให้สามีฟังและก็ตั้งข้อสงสัยว่าไม่ทราบว่าที่นางสิงทมนั้นทำไปโดยพระร ก, การหรือตามคาสั่งของสีหะสุนัขจิงจอกได้ฟังดังนั้นจึงเข้าไปหาสีหะและพูดว่านายข้าพเจ้าอยู่ในสํานักของท่านนานนักแล้วผู้อยู่ร่วมกันนานเกินไปทาให้ความรักหยดจางลงได้ ผู้ใดไม่พอใจให้คนอื่นจูในสำนักของตนก็ควรจะขับไล่เสียว่าจงไปสถทีเถิดจะแนบแน่ๆออกประโยชน์อะไรกันดังนี้แล้วก็เล่าเรื่องพฤติการของนางสิงให้รัชศรีฟังทุกประการพร้อมกับถามว่าพยานเนื้อผู้มีกำลังอยากให้ใครไปก็ย่อมจะไล่ได้นี่เป็นธรรมดาของผู้มีกำลังทงั้งหลายท่านเป็นผู้มีเขียวงง ท่านผู้มีเขี้ยวงงโปรตราบเถิดว่าบัดนี้ภัยเกิดจากที่พึ่งจะแล้วศรีาราชฟังคำสุนัขจิงจอกแล้วถามนางสิงว่าเป็นความจริงหรือที่ขูเข็นนางสุนัขจิงจอกนางสิงรับว่าเป็นความจริงถ้ชจีสีจึงว่านางไม่รู้สืกอเมื่อเราไปหากินครั้งโน้นนานมาแล้วเราไม่กลับมาถึงเจ็ดวันเพราะเหตุไรนางสิงตอบว่าไม่ทราบ สิหาราชจึงเล่าเรื่องทั้งปวงที่ทนติดลงให้นางสิงฟังและว่าสุนัขยิ่งจอกนี้เป็นสหายผู้ช่วยชีวิตเขามิตรที่สามารถดํารงมิตรธรรมไว้ได้ชื่อว่าอ่อนกําลังย่อมไม่ปีตั้งแต่นี้ต่อไปจะได้ดูมิตรสหายของเราและครอบครัวของเขาดังนี้อีกแล้วก็ย้ําว่าแม้ว่ามิตรเขามีกําลังน้อยแต่เขาดํารงอยู่ในมิตรธรรม คือเป็นมิตรแทร้เป็นกรันรยาณมิตรก็นับว่าเป็นทั้งญาติทั้งพี่น้องเป็นทั้งมิตรสหาหก็อยากได้ดูมิตรสุนักจริงจอบผู้ที่ช่วยชีวิตเราไปอันนี้ก็เป็นความกตัญญูกตัญญูกตวเวทีของสีหาราชหรือพระยาราชสีหรือสิงโต เป็นความกตัญญูกะตะเวทีที่ได้ช่วยชีวิตไวนางสิงรู้ว่าตนเข้าใจผิดไปจึงขอขมาขอโทษ ต, ตั้งแต่นั้นมาสัตว์ทั้งสองส ก, กุลก็คงเกี่ยวรักใคร่กันดังเดิมเมื่อพ่อแม่สิ้นชีวิตแล้วลูกของสัตว์ทั้งสองก็มีไมตรีต่อกันมาถึงเจ็ดชั่วอายุ อันนี้เป็นเรื่องที่เป็นตัวอย่างให้กับมนุษย์ความจริงก็เรื่องมันก็เกิดในสังคมมนุษย์นั่นแหละแต่ท่านก็ไปนำเรื่องของสัตว์ชนิดต่างๆมาเป็นตัวอย่างแต่เรื่องคำนองนี้ก็เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์กันอยู่บ่อยๆหรือเป็นส่วนมากาข้อคิดในเรื่องนี้ก็คือว่าเกี่ยวกับเรื่องพระ อ, อ น, นุนนะครับที่แรกก็เล่าเรื่องพระ อ, อ น, นุ ที่ว่าเป็นคนประหยัดเป็นผู้ประหยัดนหลักการประหยัดก็คือการใช้ของไม่ให้เสียเปล่าอย่งางผ้าหนอนใช้จีวอร์ไม่ให้เสียเปล่าใช้ทใช้มันจนคุ้มราคาคุ้มราคามัธยัสถนั่นคือว่าจําเป็นก็ใช้ไม่จําเป็นก็ไม่ใช้มัธยัสถนั่นแปลว่าตั้งอยู่ท่ามกลางท่ามกลางอะไรครับท่ามกลางระหว่างความตจริีกับความพุ่งเฟือย ความทะนีเป็นส่วนสุดขั้งหนึ่งต่อความพุ่มเฟื่อยก็เป็นส่วนสุดขั้งหนึ่งแยกว่าสุดขั้วกันไปคนละขัว้วแต่ว่ามัธยัตแปละว่าตั้งอยู่ในท่ามกลางมัธยาต์ก็คือมัธยมตั้งอยู่ในท่ามกลางก็คือว่าท่ามกลางระหว่างความทะนีกับความพุ่มเฟื่อยเพราะว่าถ้าจําเป็นต้องใช้เท่าไหร่เท่ากัน ถ้าไม่จำเป็นต้องใช้บาทเดียวก็ไม่ใช้บาทเดียวก็ไม่ให้เสียไม่ให้เสียไปโดยเกล่าวประโยชน์แต่ถ้าเป็นประโยชน์เท่าไหรเท่ากัน่ของใช้ก็ใช้ให้มันคุ้มกันคุ้มราคาหาทางทำอย่างใดอย่างหนึ่งเท่าที่คุณค่าของมันยังพอมีอยู่แต่อย่างเช่นการทำจีวรของพระอนุนแลก็พิกษสุส่ในเรื่องที่กล่าวมาแล้วนะครับ ของวัดนะครับของวัดได้มาง่ายชาวบ้านก็ศรัทธาเรื่อมใส่อยากถวายเป็นได้บุญแต่ว่าบางทีก็ทางวัดก็ไม่ค่อยจะได้ถนอมเท่าไหร่คือว่าใช้ทิงๆควางควา ง, วางบางทีก็ของมีราคามากแต่ก็เนื่องจากว่ามันมากมันก็เลยไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรได้มาง่ายมันก็ปล่อยให้เสียไปง่ายอันนี้ก็น่าเสียดาย จะของวัดของว่าใดวางเกินการทอดทิ้งไม่ซ่อแมแซมอน่าเสียดายเพมันเป็นทรัพยากรของสังคมทรัพยากรของสังคมเพราะว่าสังคมต้องสูญเสียทรัพยากรไป เ, เป็นไม้เป็นเหล็กเป็นอะไรก็แล้วแต่วัสดุอุปกรณ์ที่นํามาใช้เป็นเครื่องใช้เหล่านั้นมันก็ต้องสิ้นเปลือง ไปอนี่ประกันหนึ่งเรื่องการประหยัดหลักการประหยัดซึ่งพระพุทธเจ้าท่านส่งเน้นมากและเราส่งท่านเสด็จมากอย่างวันสําคัญวันสําคัญเรื่องอาหารครับวันปีใหม่วันข้าวรรนสาวันออกพรรษาวันอะไรก็แล้วแต่ถ้าคนไปใส่บาตรกันมากทีนี้ก็ต้องการบุญคนก็ต้องการบุญไปใส่บาตรกันมากต้องการอย่าทำ ทำบุญในวันนั้นในวันเทศกาลเป็นวันสําคัญแ้วก็เหลื่อเฟื่องดิคนี้ก็เหลืยวเฟื่องทั้งเครื่องกับป๋องทั้งไข่เข็มทั้งเ อ, อของหายต่างๆมากมายเลยทำหน้านะครับกว่าจะทำหน้าได้ข้าวมาสักถังหนึ่งท่านลองคิดดูเขาใช้เวลาเท่าไหร่เขาใช้เวลาเท่าไหร่ตั้งแต่ไถคราดดําไถหวานอดําถอนจํา กว่าข้าวจะออกรวงกว่าจะเก็บเกี่ยวข้าวมาได้เป็นข้าวเปลือกแล้วมาเป็นข้าวสารกว่าเราจะมาหุงได้เป็นข้าวสุกเนี่ยมันผ่านกรรมวิธีผ่านแรงงานมาไม่รู้เท่าไหร่สมควรไหมครับที่จะต้องใช้อย่างประหยัดแล้วก็อดออมหรือว่าใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดใหข้ข้าวแต่ละเม็ดข้าวแต่ละเม็ดน้ําแต่ละหยด แต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็พุทธบริษัทเราทุกฝ่ายทั้งบรรพชิตและข้ารือหัดก็ควรจะระหนักในเรื่องนี้กันสักหน่อยควรจะระหนักกันแล้วก็ช่วยกันช่วยกันประหยัดทรัพยากรของสังคม ไม่เพื่อจะให้ใช้ได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เท่าที่จะใช้ได้เพรฉะนั้นมันหมดได้แต่ว่าถ้าเราประมาทแล้วมันหมดได้คืิไม่ีเงินก็เป็นเศษกระดาษไม่มีของที่จะให้ซื้อกินและจะทำอย่างไรที่นี้ผมขอพูดเลยไปนะครับประการที่สอ ง, องคนดีคนดีหรือแม่สัตว์ที่ดีย่อมจะรู้ระกาะที่ผู้อื่นทำแล้วแกตน แล้วก็พยายามหาทางทำตอบแทนเท่าที่กำลังความสามารถของตนมีอยู่เท่าที่กำลังของตนมีน อ, ยนอยู่กตันยูกัตันยูกตาเวทีอย่างนี้พระสารีบุตรก็ได้รับเกียรติมากกันนะครับเรื่องความเป็นผู้กัตันยูกตัตาเวทีอย่งเช่นสาธารามันนี่ก็เล่ากันบ่อยนะครับแล้วลึกถึง ประกรณของราทัพระมแล้วก็ให้ราทัพรามบุตรพระพุทธเจ้าท่านก็เล่าถึงอดีตเหมือนกันว่าพระสารีบุตรเคยมาเล่นกันสมัยที่แม่ช้างลุกช้างกับช้างไม้ไม่เป็นช้างเาล่านิดหนึ่งนะครับเพื่อจะสะดุดดีเกียรติของพระสารีบุตรนิดหนึ่งว่าพระราชานี่เกิดในสกุลพรามทีนี้เมื่อเป็นค้ารีนัทได้เป็นผู้ตกยากในยามชารา เป็นปยาศัยภิกษุทั้งหลายอยู่ในวัดเชตวันเมืองสาวัติช่วยดาย่าวัดบาีเวณวั ด, ว ด, วดแล้วก็ถวายน้ำล้างหน้าล้างหรือล้างเท้าเป็นต้นแกภิกษุสงครับพระท่านนี่อยากจะบวชแต่ภิกษุทั้งหลายไม่ยอมให้บวชเห็นว่าแก่แล้วครามนั้นก็ซูบผอมลงมากเพราะความผิดหวังในการบวช วันหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงตรวจดูปณิสัยของสัตว์โลกอาศัยนุปณิสัยของราธัพรามปณิสัยที่จะบรรลุอาหารหันตผลของราธัพรามจึงเสด็จไปอย่างที่อยู่ของพระซึ่งกวาดลานวัดอยู่ก็จะดทำว่าได้รับการสงเคราะห์ อ, อะไรจากฤาษีทั้งหลายบ้างคำก็กลับทุนว่าได้อาหารพออย่างชีพ พอได้อาศัยหลับนอนสิ่งที่ต้องการมากที่สุดก็คือการบวชแต่ภิกษุทั้งหลายไม่ยอมให้บวชครั้นี้ก็พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงปราลบเรื่องราษฎรพราหมณ์นี้นะครับประรับสั่งให้ประชุมส่งแล้วก็จัดถามว่าใครละลึกถึงอุปการะของพราหมณ์ได้บ้างพระสารีบุตรก็กลับทูลว่าท่านระลึกิ์ได้ ค, คราวหนึ่งท่านบินทบาตอยู่ในกรงราชคึก์พระพรามราฐะได้ถวายอาหารท่านทัพปีหนึ่งได้ถวายอาหารท่านทัพปีหนึ่งพรามยากจนพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่ า, าถ้าอย่างนั้นสายบุตรก็ช่วยเรื่องทุกข์ของพรามก็สายบุตรก็รับพุทธริทาก็บวชให้ราชา นี่ก็เป็นพระคนแรกหรือเป็นครั้งแรกที่บวช ด, ด้วยยัติเจตุกรรมอุปสัมปทาเกิดที่ใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับที่ใช้กันมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็นี้่ราชาพระเมื่อบวชแล้วก็ลําบากด้วยอาหารกันครบฉันก็ว่าเป็นพระใหม่แล้วก็บวชเมื่อแก่พระสารีบุตรก็ตาพระราธจะจาริกไปในที่ต่งตางๆ จำสอนอบรมตักเตือนอยู่เนื่องๆว่าสิ่งนี้ควรทําสิ่งนี้ไม่ควรทําแต่ว่าพระราธานั้นเป็นพระแก่ที่ว่าง่ายไม่เหมือนพระแกะ่โดยทั่วๆไปรับโอวาท ด, ด้วยความเคารพปฏิบัติตามโอวาทของพระสารีบุตรจยไม่นานนักก็ได้สําเร็จพราะานจผลพระสารีบุตรก็นําพระราธากับมา อย่งวัดเชตวันเมืองสาวัตถีเอาพระผู้มีพระภาค พ, พระสัสดาก็ตรัสถามว่ า, าสิทธิ์ของเธอเป็นผู้ว่าง่ายหรือไม่พระไตรปิฎกก็กลับทูลว่าว่าง่ายเหลือเกินว่าง่ายเหลือเกินพระเจ้าค่ะพระไตรปิฎก ท, ทูลพระพุทธเจ้าว่าว่าง่ายเหลือเกินเมื่อท่านตักเตือนสั่งสอนเห็นความผิดแล้วก็ตักเตือนชี้ข้อบอกพร่อง กล่าวสอนอยู่พระราชาไม่เคยโกรธเลยพระพุทธเจ้าจรัสถามว่าถ้าได้สัตทิวิหาริกธ์คือสิอุปชานะครับอัิภาริกธ์นี่คือสิอุปชา้ก็มีคำเรียนเดวสิทวสิทธวสิทธิอันพระเจ้าตรัสามว่าได้สัตทิวิหาริกอย่างนี้ไ ด, ไรร ด, ด้รับได้สักเท่าไหร่พระสารบุตรก็กราบทูลว่ารับได้ทามากนู่นเท่าไหร่ก็ได้ตอนนี้เอาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายก็พุ่มสนทนากาันที่ธรรมบพก ว่าภาษาลิปเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีเวลาลึกถึงประารากาศของพรามแม่ที่ถวายอาหารเพียงพิเศษพระนุปเชให้พรามปุตตะได้ บ, บวชนภาได้ทำกิจที่บุคคลชาวไทยยากฝ่าย ป, ปราทะัพครอบอดทนต่อ ว, วดัดได้ท่านผู้ควรแก่การสั่งสอนเหมือนกันออันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าธรรมดาบุคคลที่มีความกตัญญูกตเวทีเนี่ยนะ แต่เราดิกจูดเสมอถึงอุปการะที่ผู้อื่นกระทําแก่ตนแม้เพียงเล็กน้อยก็คอยหาโอกาสตอบแทนความดีของผู้อื่นเราฟังจิตฟังใจของตนอยู่ตลอดเวลาแต่ตรงกันข้ามคนที่ไม่มีความกระตัญอูกระตเวทีก็ใครทําคุณให้คุณนั้นก็ปรากฏเพียงชั่วครู่ชั่วคราวเหมือนรอยขีดลงในน้ําเหมือนรอยขีดลงในน้ํา ้คนที่มีความกันดูก็จะมีความเจริญไม่เสื่อม แ, แต่ส่วนคนที่ไม่กะดันอยู่ก็จะมีแต่ความเสื่อมไม่มีความเจริญทีนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงทราบข้อความที่ภิกษุสนทนากันก็จัดว่าไม่เพียงแต่ในบัดนี้บัดลาวเรื่องช้างเชือกหนึ่งแล้ว ถ, ถูกต่อไม้แหลมต่ำเท่าจะเดินไปไหนไม่ได้ น, นี่ก็พวกช้างไม้กลุ่มหนึ่งไปพบเขาในป่าช่วยกันถอนตอไม้แหลบนั้นออกจากเท้าแล้วก็นํายาสมุนไพรมาพอกให้ช้างนั้นหายโรคแล้วทะลึกถึงอุปการะของพวกช่างไม้ได้นําลูกช้างเปลือกเชือกเน็คมาให้เป็นเครื่องตอบแทนแล้วก็มีเล่าต่อไปว่าต่อมาลูกช้างตัวนั้นก็เป็นช้างที่ดีกอนใจไปเป็นราชบานะ แล้วก็ได้ช่วยพระราชกุมารที่ชื่ออ阿里ณจิตตะกุมารเอให้ยึดราชสมบัติคืนมาได้อันนี้ก็ข้อความพิสดารก็อยู่ในอนา阿里ณจิตตะชาดกอ阿里ณจิตตะชาดกก็มีเรื่องรายละเอียดที่น่าสนใจแต่ว่าไม่นํามาเล่าในที่นี้นะครับเพราะว่าเวลาไม่พอวันพระพุทธเจ้าก็จัดตรือเรื่องภาษาลิปุตร กลับเรื่องช้างแล้วก็ทรงปราบเรื่องราษะพราหมณ์ด้วยแล้วก็จัดสั่งสอนภิกษุทั้งหลายว่าธรรมราภิกษุควรจะเป็นผู้ว่า ง, ง่ายเหมือนพระราษฎเมื่ออาจารย์ที่โทษกล่าวสอนอยู่ก็ไม่ควรโกรธเพึงมองเห็นบุคคลผู้ตักเตือนสั่งสอนเสมือนผู้บอกขุมทรัพย์ให้แล้วก็จัดพระพุทธภาษิต ท, ที่ว่าผู้ฉลาด ควรเห็นว่าคนที่ชี้โทษตักเตือนในเมื่อเห็นความผิดกล่าวปราโมยเว้นความชั่วเป็นผู้มีปัญญาดีนั้นเป็นเสมือนผู้บอกลุมศรัพท์ให้และก็ควรครบบัณฑิตเช่นนั้นพอเมื่อคบอยู่ก็มีแต่ทางดีไม่มีทางเสื่อมเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความกตัญญูกตวเวทีนะครับต่อเนื่องกันมากับเรื่องของราชสีติดลม ตอนนี้ก็ข้อคิดอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องราชสีติหลบนะครับคือเพื่อนรักกันอาจจะแตกกันได้เพราะพัญญาของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งเพราะฉะนั้นก็อย่าหูเบาอย่าหูเบาแบบเกี่ยวกับเรื่องนางสิงกับนางสุนักจิ้งจอกผู้เป็นใหญ่ในบ้านก็ต้องหูหนักเอาไว้อย่าหูเบาฟังแต่เสียงของพัญญาตนข้างเดียว พัญยาบางคนก็ไม่ชอบหรือเสียยาเพื่อนของสามีที่สามีตนรักมากๆก็ได้เพราะฉะนั้นก็ทําอย่างไรถึงจะให้เรื่องเหล่านี้หรือสิ่งเหล่านี้ดาเนินไปด้วยด้วยดีก็ต้องพัฒนาจิตกันหน่อยแล้วนะครับวความว่าพัฒนาจิตกันหน่อยว่าควรจะทําอะไรอย่างไรแค่ไหนเข้าใจชีวิต พยายามทำความเข้าใจชีวิตไม่ดีว่าชีวิตของคนเรานั้นมีมีความเกี่ยวข้องกันมากผบุคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องหลายฝ่ายาก็ต้องอใช้ปัญญาสวดส่องพิจารณาดูให้ดีแล้วก็จะไม่ไม่หูเบาแล้วก็ไม่ไม่ใจเ่า้วยคือจิตใจก็หนักแน่นหูก็ไม่เบาใจก็ไม่เป่ามีจิตใจหนักแน่น มันคงดูจับคิดเคราะี์พินิพิจารณาว่าอะไรเป็นอย่างไร